4. นัตตุมหากวักหมวดว่าด้วยสิ่งที่ไม่ใช่ของเธอทั้งหลายหนึ่งนัตตุมหากวักว่าด้วยสิ่งที่ไม่ใช่ของเธอทั้งหลายสเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าพิกษุทั้งหลายสิ่งใดไม่ใช่ของเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงละสิ่งนั้น สิ่งใดเธอทั้งหลายละได้แล้วนั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขก็อะไรเล่าชื่อว่าสิ่งที่ไม่ใช่ของเธอทั้งหลายคือรูปไม่ใช่ของเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงละรูปนั้นรูปที่เธอทั้งหลายละได้แล้วนั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขเวทนาไม่ใช่ของเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงละเวทนานั้นเวทนาที่เธอทั้งหลายละได้แล้วนั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขสัญญาไม่ใช่ของเธอทั้งหลายสังขารไม่ใช่ของเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงละสังขารนั้นสังขารของเธอทั้งหลายละได้แล้วนั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขวิญญาณไม่ใช่ของเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงละวิญญาณ น, นั้นวิญญาณที่เธอทั้งหลายละได้แล้วนั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขเปรียบเหมือนคนพึงนําหญ้าไม้กิ่งไม้และใบไม้ที่มีอยู่ในเชตวันนี้ไปเผาหรือจัดการไปตามเรื่องเธอทั้งหลายจะพึงมีความคิดอย่างนี้บ้างไม่ว่า คนนำเราทั้งหลายไปเผาหรือจัดการไปตามเรื่องไม่มีเลยพระพุทธเจ้าข่าข้อนั้นเพระเหตุไรเพราะย่าเป็นต้นนั้นไม่ใช่อัตตาหรือสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตาพระพุทธเจ้าข่าภิกษุทั้งหลายออปมานี้ฉันใดออปมามัยก็ฉันนั้นเหมือนกันรูปไม่ใช่ของเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงละรูปนั้น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 เธอทั้งหลายจงละวิญญาณ น, นั้นวิญญาณที่เธอทั้งหลายละได้แล้วนั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขนัาตุมหากะสูตรที่หนึ่งจบงทุติยหนัาตุมหากะสูตรว่าด้วยสิ่งที่ไม่ใช่ของเธอทั้งหลายสูตรที่สอง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 เธอทั้งหลายจงละรูปนั้นรูปที่เธอทั้งหลายละได้แล้วนั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขเวทนาไม่ใช่ของเธอทั้งหลายสัญญาไม่ใช่ของเธอทั้งหลายสังขารไม่ใช่ของเธอทั้งหลายวิญญาณไม่ใช่ของเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงละวิญญาณนั้นวิญญาณที่เธอทั้งหลายละได้แล้วนั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูล เพื่อความสุขทุติยานะตุมหากั ส, สูที่สองจบ 3. อัญยตระพิกุสูตรว่าด้วยพิกษุรูปหนึ่งทูลถามปัญหาส5เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีครั้งนั้นพิกษุรูปหนึ่งเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายอภิวาสแล้วนั่งนะที่สมควรได้กราบทูนพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานว่าโลกาดขอพระผู้มีพระภาคโปรดแสดงธรรมแก่ข้าพระองค์โดยย่อซึ่งข้าพระองค์ได้ฟังแล้วจะพึงหลีกออกไปอยู่คนเดียวไม่ประมาณมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่เถิดพระผู้มีพระภาคตรัสว่า ภิกษุบุคคลครุนคิดถึงสิ่งใดก็ถึงการนับเข้ากับสิ่งนั้นไม่ครุนคิดถึงสิ่งใดก็ไม่ถึงกับการนับเข้ากับสิ่งนั้นข้าแต่พระผู้มีพระภาคข้าพระองค์เข้าใจแล้วข้าแต่พระสุคตข้าพระองค์เข้าใจแล้วภิกษุ ก็เธอเข้าใจเนื้อความแห่งคำที่เรากล่าวยังย่อดโดยพิสดารได้อย่างไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญถ้าบุคคลครุนคิดถึงรูปก็ถึงการนับเข้ากับรูปนั้นถ้าครุนคิดถึงเวทนาถ้าครุนคิดถึงสัญญาถ้าครุ่นคิดถึงสังขารถ้าบุคคลไม่ครุ่นคิดถึงรูปก็ไม่ถึงการนับเข้ากับรูปนั้น ถ้าไม่กรุนคิดถึงเวทนาถ้าไม่กรุนคิดถึงสัญญาถ้าไม่กรุนคิดถึงสังขารถ้าไม่กรุนคิดถึงวิญญาณก็ไม่ถึงการนับเข้ากับวิญญาณนั้นข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญข้าพระองค์เข้าใจเนื้อความแห่งพระภาสิทธิที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้อย่างย่อดโดยพิสดารได้อย่างนี้ดีละดีละภิกษุ เธอเข้าใจเนื้อความแห่งคําที่เรากล่าวไว้อย่างโดยย่อพิส ó, ดารดีแล้วถ้าบุคคลครุ่นคิดถึงรูปก็ถึงการนับเข้ากับรูปนั้นถ้าบุคคลไม่ครุ่นคิดถึงรูปก็ไม่ถึงการน <till> <rê> ับเข้ากับรูปนั้นถ้าไม <entrada> ่ครุ่นค like ิดถึงเวทนาถ้าไม่ครุ่นคิดถึงสัญญาถ้าไม่ครุ่นคิดถึงสังขารถ้าไม่ครุ่นคิดถึงวิญญาณ ก็ไม่ถึงกับนับเข้ากับอิญยาณ น, นั้นภิกษุเธอพึงเข้าใจความแห่งคําที่เรากล่าวไว้อย่างโดยย่อโดยพิสดารอย่างนี้ครั้งนั้นภิกษุนั้นชื่นชมยินดีพระภาสิทธ์ของพระผู้มีพระภาคแล้วลุกจากอาสนะถวายอภิวาทกระทําบัททักศิณแล้วจากไปต่อมาภิกษุนั้นหลีกออกไปอยู่คนเดียว ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่ไม่นานนักก็ทำให้แจ้งซึ่งประโยชน์ยอดเยี่ยมอันเป็นที่สุดแห่งพรหมจันทร์ที่เหล่ากุลบุตรออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบต้องการด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วอยู่จบพรหมจันทร์แล้วทากิจที่ควรทาเสร็จแล้ว ไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปอันหนึ่งภิกษุนั้นได้เป็นอรหันต์องค์หนึ่งในบรรดาพระอรหันต์ทั้งหลายอัญญตรระพิขุสูตรที่สาจบสทุติยะอัญญตระภิขุสูตร ว่าด้วยภิกษุรูปหนึ่งทูลถามปัญหาสูตรที่สอง 36, เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีครั้งนั้นภิกษุรูปหนึ่งเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับนั่งณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานวโรโกาส ขอพระผู้มีพระภาคโปรดแสดงธรรมแก่ข้าพระองค์โดยย่อซึ่งข้าพระองค์ได้ฟังแล้วจะพึงหลีกออกไปอยู่คนเดียวไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่เถิดพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุบุคลคลครุ่นคิดถึงสิ่งใดก็หมกมุ่นถึงสิ่งนั้นหมกมุ่นถึงสิ่งใดก็ถึงการนับเข้ากับสิ่งนั้น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 ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญถ้าบุคคลคลุ่นคิดถึงรูปก็หมกมุ่นถึงรูปนั้นหมกมุ่นถึงรูปใดก็ถึงกับการนับเข้ากับรูปนั้นถ้าคลุ้นคิดถึงเวทนาถ้าคลุ้นคิดถึงสัญญาถ้าคลุ้นคิดถึงสังขารถ้าคลุ้นคิดถึงวิญญาณก็หมกมุ่นถึงวิญญาณนั้นหมกมุ่นถึงวิญญาณใด ก็ถึงการนับเข้ากับวิญญาณนั้นถ้าบุคคลไม่กรุ้นคิดถึงรูปก็ไม่หมกมุ่นถึงรูปนั้นไม่หมกมุ่นถึงรูปใดก็ไม่ถึงกับการนับเข้ากับรูปนั้นถ้าไม่กรุ้นคิดถึงเวทนาถ้าไม่กรุ้นคิดถึงสัญญาก็ไม่กรุ้นคิดถึงสังขารถ้าไม่กรุ้นคิดถึงวิญญาณก็ไม่หมกมุ่นถึงวิญญาณนั้น ไม่หมกมุ่นถึงวิญญาณใดก็ไม่ถึงกับนับเข้ากับวิญญาณนั้นข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์เข้าใจเนื้อความแห่งพระภาษิตที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้อย่างยอ่อโดยพิสดารได้อย่างนี้ดีละดีละภิกษุเธอเข้าใจเนื้อความแห่งคำที่เรากล่าวไว้อย่างยอ่อโดยพิสดารได้ดีแล้วถ้าบุคลคลกุ่นคิดถึงรูป ก็หมกมุ่นถึงรูปนั้นหมกมุ่นถึงรูปใดก็ถึงการนับเข้ากับรูปนั้นถ้าครุนคิดถึงเวทนาถ้าครุนคิดถึงสัญญาถ้าครุนคิดถึงสังขารถ้าครุนคิดถึงวิญญาณก็หมกมุ่นถึงวิญญาณนั้นหมกมุ่นถึงวิญญาณใดก็ถึงการนับเข้ากับวิญญาณนั้นภิกษุถ้าบุคคลไม่ครุนคิดถึงรูป ก็ไม่หมกมุ่นถึงรูปนั้นไม่หมกมุ่นถึงรูปใดก็ไม่ถึงกับการนับเข้ากับรูปนั้นทําไม่ครุนคิดถึงเวทนาทําไม่ครุนคิดถึงสัญญาทําไมครุนคิดถึงสังขารถ้าไม่ครุนคิดถึงวิญญาณก็ไม่หมกมุ่นถึงวิญญาณนั้นไม่หมกมุ่นถึงวิญญาณใดก็ไม่ถึงกับการนับเข้ากับวิญญาณนั้นภิกษุ์ เธอพึงเข้าใจเนื้อความแห่งคำที่เรากล่าวอย่างย่อโดยพิสดารอย่างนี้อันหนึ่งภิกษุนั้นได้เป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งในบรรดาพระอรหันต์ทั้งหลายทุติยอนยัญญตระภิกขุสูตรที่สจบหาอนันทสูตรว่าด้วยพระอานนท 37เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีครั้นในเวลาเย็นท่านพระอานนท์ออกจากที่หลีกเลน้นเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับพระอานนท์ดังนี้ว่าอานน์ถ้าภิกษุทั้งหลายพึงถามเธออย่างนี้ว่าท่านอานน์ความเกิดขึ้นแห่งธรรมเหล่าไหนปรากฏความเสื่อมภัยแห่งธรรมเหล่าไหนปรากฏ เมื่อทำเหล่าไหนตั้งอยู่ความแปรปรากฏเธอถูกถามอย่างนี้จะพึงตอบอย่างไรท่านพระ อ, อนนท์กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญถ้าภิกษุทั้งหลายพึงถามข้าพระองค์อย่างนี้ว่าท่าน อ, อนน์ความเกิดขึ้นแห่งธรรมเหล่าไหนปรากฏความเสื่อมไปแห่งธรรมเหล่าไหนปรากฏ เมื่อทำเหล่าไหนตั้งอยู่ความแปลปรากฏข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญข้าพระองค์ถูกถามอย่างนี้พึงตอบอย่างนี้ว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายความเกิดขึ้นแห่งรูปปรากฏความเสื่อมไปแห่งรูปปรากฏเมื่อรูปตั้งอยู่ความแปลปรากฏความเกิดขึ้นแห่งเวทนาแห่งสัญญาแห่งสังขาร ความเกิดขึ้นแห่งวิญญาณปรากฏความเสื่อมไปแห่งวิญญาณปรากฏเมื่อวิญญาณตั้งอยู่ความแปลปรากฏความเกิดขึ้นแห่งธรรมเหล่านี้ปรากฏความเสื่อมไปแห่งธรรมเหล่านี้ปรากฏเมื่อธรรมเหล่านี้ตั้งอยู่ความแปลปรากฏค้าแต่พระองค์ผู้เจริญค้าพระองค์ถูกถามอย่างนี้พึงตอบอย่างนี้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 ว่าด้วยพระอนนท์สูตรที่สอง 38, เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับท่านพระอนนท์ผู้นั่งณนะที่สมควรดังนี้ว่าอานนท์ถ้าภิกษุทั้งหลายพึงถามเธออย่างนี้ว่าท่านอานนท์ความเกิดขึ้นแห่งธรรมเหล่าไหนปรากฏแล้วความเสื่อมไปแห่งธรรมเหล่าไหนปรากฏแล้วเมื่อธรรมเหล่าไหนตั้งอยู่ ความแปลปรากฏแล้วความเกิดขึ้นแห่งธรรมเหล่าไหนจากปรากฏความเสื่อมไปแห่งธรรมเหล่าไหนจากปรากฏ เ, เมื่อธรรมเหล่าไหนตั้งอยู่ความแปลจากปรากฏความเกิดขึ้นแห่งธรรมเหล่าไหนปรากฏความเสื่อมไปแห่งธรรมเหล่าไหนปรากฏเมื่อธรรมเหล่าไหนตั้งอยู่ความแปลปรากฏอานนท์เธอถูกถามอย่างนี้ จะพึงตอบอย่างไรท่านพระอานนท์กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญถ้าภิกษุทั้งหลายพึงถามข้าพระองค์อย่างนี้ว่าท่านอานนท์ความเกิดขึ้นแห่งธรรมเหล่าไหนปรากฏแล้วความเสื่อมไปแห่งธรรมเหล่าไหนปรากฏแล้วเมื่อธรรมเหล่าไหนตั้งอยู่ความแปรปรากฏแล้วความเกิดขึ้นแห่งธรรมเหล่าไหนจักปรากฏ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 รูปใดล่วงไปดับไปแปรผันไปแล้วความเกิดขึ้นแห่งรูปนั้นปรากฏแล้วความเสื่อมแห่งรูปนั้นปรากฏแล้วเมื่อรูปนั้นตั้งอยู่ความแปลปรากฏแล้วเวทนาใดล่วงไปดับไปแปรผันไปแล้วความเกิดขึ้นแห่งเวทนานั้นปรากฏแล้วความเสื่อมไปแห่งเวทนานั้นปรากฏแล้ว เมื่อเวทนานั้นตั้งอยู่ความแปลปรากฏแล้วสัญญาใดล่วงไปสังขารเหล่าใดล่วงไปดับไปแปรผันไปแล้วความเกิดขึ้นแห่งสังขารเหล่านั้นปรากฏแล้วความเสื่อมไปแห่งสังขารเหล่านั้นปรากฏแล้วเมื่อสังขารเหล่านั้นตั้งอยู่ความแปลปรากฏแล้ววิญญาณใดล่วงไปดับไป แปลผันไปแล้วความเกิดข um ึ pues voilà ้นแห่งวิญญาณนั้นปรากฏแล้วความเสื่อมไปแห่งวิญญาณนั้นปรากฏแล้วเมื่อวิญญาณนั้นตั้งอยู่ความแปลปรากฏแล้วท่านผู้มีอายุทั้งหลายความเกิดขึ้นแห่งธรรมเหล่านี้ปรากฏแล้วความเสื่อมไปแห่งธรรมเหล่านี้ปรากฏแล้วเมื่อธรรมเหล่านี้ตั้งอยู่ความแปลปรากฏแล้ว ท่านผู้มีอายุทั้งหลายรูปใดยังไม่เกิดยังไม่ปรากฏความเกิดขึ้นแห่งรูปนั้นจากปรากฏความเสื่อมไปแห่งรูปนั้นจากปรากฏเมื่อรูปนั้นตั้งอยู่ความแปรจากปรากฏเวทนาใดยังไม่เกิดยังไม่ปรากฏความเกิดขึ้นแห่งเวทนานั้นจากปรากฏความเสื่อมไปแห่งเวทนานั้นจากปรากฏ เมื่อเวทนานั้นตั้งอยู่ความแปลจากปรากฏสัญญาใดยังไม่เกิดสังขารเหล่าใดยังไม่เกิดยังไม่ปรากฏความเกิดขึ้นแห่งสังขารเหล่านั้นจากปรากฏเมื่อสังขารเหล่านั้นตั้งอยู่ความแปลจากปรากฏวิญญาณใดยังไม่เกิดยังไม่ปรากฏความเกิดขึ้นแห่งวิญญาณนั้นจากปรากฏ ความเสื่อมไปแห่งวิญญาณนั้นจากปรากฏเมื่อวิญญาณนั้นตั้งอยู่ความแปลจากปรากฏท่านผู้มีอายุทั้งหลายความเกิดขึ้นแห่งธรรมเหล่านี้จากปรากฏความเสื่อมไปแห่งธรรมเหล่านี้จากปรากฏเมื่อธรรมเหล่านี้ตั้งอยู่ความแปลจากปรากฏท่านผู้มีอายุทั้งหลายรูปใดเกิดแล้วปรากฏแล้ว ความเกิดขึ้นแห่งรูปนั้นปรากฏความเสื่อมไปแห่งรูปนั้นปรากฏเมื่อรูปนั้นตั้งอยู่ความแปลปรากฏเวทนาใดเกิดแล้วปรากฏแล้วสัญญาใดเกิดแล้วปรากฏแล้วสังขารเหล่าใดเกิดแล้วปรากฏแล้วความเกิดขึ้นแห่งสังขารเหล่านั้นปรากฏ ความเสื่อมไปแห่งสังขารเหล่านั้นปรากฏเมื่อสังขารเหล่านั้นตั้งอยู่ความแปลปรากฏวิญญาณใดเกิดขึ้นแล้วปรากฏแล้วความเกิดขึ้นแห่งวิญญาณนั้นปรากฏความเสื่อมไปแห่งวิญญาณนั้นปรากฏเมื่อวิญญาณนั้นตั้งอยู่ความแปลปรากฏท่านผู้มีอายุตั้งหลาย ความเกิดขึ้นแห่งธรรมเหล่านี้ปรากฏความเสื่อมไปแห่งธรรมเหล่านี้ปรากฏเมื่อธรรมเหล่านี้ตั้งอยู่ความแปลปรากฏข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ถูกถามอย่างนี้พึงตอบอย่างนี้ดีละดีละอานอนท์รูปใดล่วงไปดับไปแปรผันไปแล้ว ความเกิดขึ้นแห่งรูปนั้นปรากฏแล้วความเสื่อมไปแห่งรูปนั้นปรากฏแล้วเมื่อรูปนั้นตั้งอยู่ความแปลปรากฏแล้วเวทนาใดสัญญาใดสังขารเหล่าใดวิญญาณใดล่วงไปดับไปแปรผันไปแล้วความเกิดขึ้นแห่งวิญญาณนั้นปรากฏแล้วความเสื่อมไปแห่งวิญญาณนั้นปรากฏแล้ว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 อนุนความเกิดขึ้นแห่งธรรมเหล่านี้จากปรากฏความเสื่อมไปแห่งธรรมเหล่านี้จากปรากฏเมื่อธรรมเหล่านี้ตั้งอยู่ความแปลจากปรากฏอนุ์รูปใดเกิดแล้วปรากฏแล้วความเกิดขึ้นแห่งรูปนั้นปรากฏความเสื่อมไปแห่งรูปนั้นปรากฏเมื่อรูปนั้นตั้งอยู่ความแปลปรากฏ เวทนาใดเกิดแล้วปรากฏแล้วสัญญาใดสังขารเหล่าใดวิญญาณใดเกิดแล้วปรากฏแล้วความเกิดขึ้นแห่งวิญญาณนั้นปรากฏความเสื่อมไปแห่งวิญญาณนั้นปรากฏเมื่อวิญญาณนั้นตั้งอยู่ความแปลปรากฏอนุ์ความเกิดขึ้นแห่งธรรมเหล่านี้ปรากฏความเสื่อมไปแห่งธรรมเหล่านี้ปรากฏ เมื่อทมเหล่านี้ตั้งอยู่ความแปลปรากฏอานนท์เธอถูกถามอย่างนี้พึงตอบอย่างนี้ทุติยอนันทสูตรที่หจบ 7. อนุธรรมสูตรว่าด้วยผู้มีธรรมอันเหมาะสม 39. เเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถี พระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมมีธรรมอันเหมาะสมคือพึงเป็นผู้มากด้วยความเบื่อหน่ายในรูปมากด้วยความเบื่อหน่ายในเวทนามากด้วยความเบื่อหน่ายในสัญญามากด้วยความเบื่อหน่ายในสังขารมากด้วยความเบื่อหน่ายในวิญญาณอยู่เมื่อเธอ เป็นผู้มากด้วยความเบื่อหน่ายในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารเป็นผู้มากด้วยความเบื่อหน่ายในวิญญาณอยู่ก็จจกกำหนดรู้รูปเวทนาสัญญาสังขารกำหนดรู้วิญญาณเธอเมื่อกำหนดรู้รูปเวทนาสัญญาสังขารเมื่อกำหนดรู้วิญญาณย่อมพ้นจากรูปย่อมพ้นจากเวทนา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 พึงเป็นผู้พิจารณาเห็นความไม่เที่ยงในวิญญาณอยู่เมื่อเธอพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงในวิญญาณอยู่ก็จะกําหนดรู้รูปเวทนาสัญญาสังขารกําหนดรู้วิญญาณเมื่อเธอกําหนดรู้รูปเวทนาสัญญา สังขารกำหนดรู้วิญญาณย่อมพ้นจากรูปย่อมพ้นจากเวทนาย่อมพ้นจากสัญญาย่อมพ้นจากสังขารย่อมพ้นจากวิญญาณเรากล่าวว่าย่อมพ้นจากชาติชรามรณโะโศกปริเทวะทุกโทมนต์และอุปยาตและย่อมพ้นจากทุกทุติยานุธรรมสูตรที่8จบ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 ในสัญญาในสังขารพึงเป็นผู้พิจารณาเห็นทุกในวิญญาณอยู่เมื่อเธอพิจารณาเห็นทุกในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารพิจารณาเห็นทุกในวิญญาณอยู่ก็จะกำหนดรู้รูปเวทนาสัญญาสังขารกำหนดรู้วิญญาณเมื่อเธอกำหนดรู้รูป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 และย่อมพ้นจากทุกข์ตติยะอนุธรรมสูตรที่เก้าจบ 10. จัจตุถะอนุธรรมสูตรว่าด้วยผู้มีธรรมอันเหมาะสมสูตรที่ส 42. เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมมีธรรมอันเหมาะสมคือพึงเป็นผู้พิจารณาเห็นอัตตาในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารพึงเป็นผู้พิจารณาเห็นอัตตาในวิญญาณอยู่เมื่อเธอพิจารณาเห็นอนัตตาในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารพิจารณาเห็นอนัตตาในวิญญาณอยู่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 มรณะนะโสกะปริเทวะทุกข์โทมนัสและอุปยาธและย่อมพ้นจากทุกข์จตุตถะอนุธรรมสูตรที่สิบจบนตุมหากวักที่สี่จบรวมพระสูตรที่มีในวักนี้คือ 1. อตุมหากสูตร 2. ทุติยณะตุมหากสูตรสา อัญญตาระพิกุสูตร 4. ทุติยาอัญญตระพิกุสูตร 5. อนันทสูตร6ทุติยาอนันทสูตร 7. อนุธรรมสูตร 8. ทุติยาอนุธรรมสูตร 9. ตติยาอนุธรรมสูตร10จตุธาอนุธรรมสูตร